ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่66โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่66ให้คติธรรมว่าทบกชีวิต ก็เหมือนผลไม้สุกรอวันที่จะร่วงหล่นสู่ดินอันนี้ก็คือก่าวเตือนถึงมรณะภัยทุกชีวิตเมื่อเราเกิดมาท่านเปรียบเทียบกับผลไม้ผลไม้หรือผลมะม่วงเมื่อเป็นดอกลูกเล็กๆก็พร้อมที่จะหล่น พอโตขึ้นมาหน่อยนึงก็พร้อมที่จะหล่นพอโตขึ้นขนาดไหนก็หล่นได้ทุกการสถานทุกวัยของมะม่วงผลที่สุดมะม่วงลูกไหนก็ตามไม่มีลูกมะม่วงลูกไหนสุก ข, ข้ามปีหรือไม่ไม่หล่นเลยไม่มีชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาก็เหมือนกัน บางทีก็เกิดมาอ า, อายุอย่างน้อยตายไปก็มเีเป็นเด็กขนาดหล า, หลายรุ่นตายไปก็มีแต่ก็ไม่มีชีวิตไหนที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะ น, นั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าประกอบอย่าทำ สิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีถ้าใครทํากรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองเพราะนั้นพวกเราเมื่อรู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญทําไมพระพุทธเจ้าจึงว่าตายแล้วไม่สูญเพราะพระพุทธเจ้าได้ไปพิสูจน์แล้วที่โคลนต้นโพ เทพุทธกยาเมื่อสองพันห้าห้าสิบเจ็ดปีให้หลังโต๊ะพุทธองค์นั่งขัดสมาธิก่อนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก่อนไม่เอสดงพระพุทธองค์ได้นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออก พระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบอยู่ที่ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวจนเกิดยาณธัศนะเกิดฌานขึ้นมาพระ อ, องค์ละลึกชาติโนหลังได้ปุบเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติโหนหลังได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงประกาศพระธรรมคาสอนออกมาว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายและสูญและตายและเกิด อย่าไปนึกเดาอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปประมาณการอย่าไปฟังคนอื่นให้พวกท่านทั้งหลายนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้ในเมื่อจิตสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเหมือนกับรถใจของเราคือนามธรรมที่มองไม่เห็นเหมือนกับคนขับรถ ถ้าเห็นเมื่อใจรวมลงไปแล้วนะ่ะร่างกายเนี่ยแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่นามธรรมคือใจเน่ยคนนั้นดวงนั้นละ่ะไม่ตายไปปฏิสนที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เมื่อก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายหรือย้ายจาก ร่างหรือว่ารถคันนี้ไปพวกเรามีทุนได้เตรียมไว้พร้อมพอหรือยังที่จะไปซื้อรถคันอื่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะคิดวางแผนชีวิตของพวกเราล่วงหน้าไว้ถ้าพวกเราไม่ได้คิดไว้เมื่อการนั้นมาถึงพวกเราคงจะไม่มีเงินซื้อรถคันต่อไปเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตไรยพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกด้วยอำนาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆุ ท, กท่านเทิน